วิปัสสนานุบาลบทที่หปฏิกิริยาทางใจอยู่ในเมืองคนมีอาชีพหาเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครองชีวิตปกติธรรมดานั้นที่จะไม่เกิดเรื่องกระทบใจเลยเป็นอันว่าหมดหวังแต่การที่จำเป็นต้องมีเรื่องกระทบใจนั่นเองทำให้เราหวังใหม่ได้ว่า จะใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือวิปัสสนาเพราะหลักการหนึ่งของวิปัสสนานั้นคือให้ดูว่าปฏิกิริยาทางใจเป็นของเกิดขึ้นชั่วคราวเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาบังคับบัญชาให้อยู่หรือไปทันใจไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สมบัติของเราต่างจากหลอดไฟที่กดปุ่มก็สว่างขึ้น หรือมืดลงตามปรารถนาถ้าไม่มีเรื่องกระทบใจให้เกิดปฏิกิริยาทางใจก็แปลว่าขาดเครื่องมือเจริญวิปัสนาในส่วนนี้ไปฉะนั้นแทนที่จะหน้ามนทนรับเรื่องกระทบก็ขอให้ดีใจในความเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เครื่องมือแบบนี้มา ตามหลักวิปัสสนาคุณต้องทราบว่าปฏิกิริยาทางใจไม่ใช่ของเกิดขึ้นลอยๆเพราะมันไม่มีตัวตนอยู่ก่อนแต่เป็นผลที่เกิดจากการกระทบกันระหว่างใจกับอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นตัางหากจากใจอย่างเช่นอักษรมัรทัดปัจจุบันนี้หรือเสียงที่กำลังได้ยินนี้ จัดเป็นเครื่องกระทบใจชนิดหนึ่งตราบใดที่สายตาคุณยังกวาดไปเรื่อยแลรู้เห็นว่านังสือพูดอะไรกับคุณคุณจะเข้าใจคำว่าอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นตังหกจากใจนั้นได้ชัดขึ้นถ้าทราบว่าแม้แต่ระลอกความคิดหนึ่งหนึ่งก็ถือเป็นสิ่งกระทบใจนี่คือความจริง ความคิดเป็นต่างหากจากใจถูกใจรู้ได้ว่าเมื่อใดสงบจากความคิดเมื่อใดคลื่นความคิดกระเพื่อมขึ้นมาฉะนั้นถึงแม้ว่าปลีกตัวออกมาจากที่ทำงานห่างหน้าจากคู่รักคู่แคนทั้งหลายมาห่างโคแล้วก็อย่าพึ่งนึกว่าจะไม่มีเครื่องกระทบใจให้เกิดปฏิกิริยา ความคิดที่ติดตามคุณไปทุกหนทุกแห่งนั่นแหละเข้ากระทบในทางดีร้ายกับใจของคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดักสังเกตกันที่ปฏิกิริยาอันเกิดจากความคิดกระทบใจได้<ๆ>ก็เท่ากับคุณได้ทําวิปัสนาบ่อยที่สุดบทนี้จะขอให้คุณสังเกตเฉพาะปฏิกิริยาทางใจเด่นเด่น อันเกิดจากการที่ตาถูกรูปทรงสีสันเข้ากระทบหูถูกสั่มเสียงสำเนียงใดเข้ากระทบจมูกถูกกลิ่นอายเข้ากระทบลิ้นถูกรสชาติอาหารเครื่องดื่มเข้ากระทบกายถูกของกระด้างของอ่อนนุ่มเข้ากระทบและใจถูกความคิดหนักเบาเข้ากระทบ คำว่าปฏิกิริยาทางใจเด่นๆนั้นย่นย่อลงแล้วก็เหลือให้ระลึกเขาง่ายๆคือชอบกับชังแค่นั้นเองขอให้สังเกตเธอว่าเรารู้สึกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษแปลความหมายทางใจออกมาเป็นคำพูดก็ได้เพียงชอบกับชังเท่านี้แหละ หากสังเกตละเอียดลงไปก็อาจเห็นลึกซึ่งลงไปว่าชอบกับชังเท่านี้อาจจำแนกเป็นกิเลสได้พิสดารพันลึกกล่าวคือความชอบใจนั้นจะมีกระแสดึงดูดอยากได้มาเป็นของเรากระแสใจนี้เป็นฝ่ายเดียวกับราคะหรือความโลภอยากได้ส่วนความมีใจชังนั้น จะก่อกระแสผลักไสยอยากขับไล่ให้พ้นหน้าเราไปกระแสใจนี้เป็นฝ่ายเดียวกับโทสะหรือการคิดทำลายทั้งชอบทั้งชังนั้นเหมารวมได้เป็นก้อนเดียวกันคือความหลงใจคนเราถูกห่อหุ้มด้วยความหลงกันมาแต่เกิดโดยไม่รู้ตัวก็เพราะถูกความชอบกับความชังนี่แหละ รุมเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันฉะนั้นหากเฝ้าจดจ่อรอดูความชอบและความชังดับไปตามธรรมชาติใจก็จะคลายจากอาการลุ่มหลงมัวเมาต่างๆจนหายขาดในที่สุดยกตัวอย่างเช่นบางคนสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเสียงหมาเหา่า หากมีแต่ความชังในเสียงกระทบหูก็จะนอนเครียดไม่หลับลงได้เป็นชั่วโมงเพราะแค่นแน่นจุกอกแต่หากเอาเสียงหมาเห่าเป็นเครื่องเจริญสติตั้งมุมมองไว้ว่าสักแต่เป็นเสียงกระทบแก้วหูแต่ไม่กระทบตัวเราลองสังเกตดูใจจะพบว่าปฏิกิริยาโต้อตอบเป็นชิงชังนั้นลดลง ยิ่งเวลาผ่านไปใจจะยิ่งเฉยมากขึ้นเรื่อยๆแม้เสียงหมาเห่าจะยังดังเท่าเดิมก็ตามเมื่อสติเกิดเต็มที่แล้วจะเห็นว่าความเฉยเกิดขึ้นเป็นปกติแม้ในคืนต่อๆมาจะมีเสียงหมาเหา่าสติที่อบรมไว้แล้วก็จะทําให้ใจไม่สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงหมา อาจจะรู้สึกตัวขึ้นเพียงนิดเดียวก็จะมีอาการวางเฉยในเสียงปรากฏแทนความรำคาญและความวางเฉยนั้นจะทำให้กลับหลับลงต่อได้อย่างดีนี่คือผลดีที่เห็นได้ชัดของการสังเกตปฏิกิริยาทางใจจนวางเฉยเสียได้ เบื้องต้นในชั้นอนุบาลฝึกหัดขอให้ลองเป็นนักรู้อายุไขของปฏิกิริยาทางใจเล่งไว้เลยว่าปฏิกิริยาทางใจทุกชนิดมีอายุของตัวเองอาศัยจำนวนลมหายใจเข้าออกเป็นตัวนับกล่าวคือพอชอบหรือช่างอะไรขึ้นมาก็เริ่มนับไปเลยว่าปฏิกิริยาทางใจนั้นเกิดกับลมหายใจที่หนึ่ง ดูไปดูไปว่ามันจะหมดอายุหมดสภาพแสดงตัวตรงลมหายใจที่เท่าไหร่เมื่อฝึกแรกๆคุณอาจพบว่าพอรู้ลมหายใจปับ๊บความชอบความชังก็ดับไปทันทีแปลเป็นความอึดอัดเพราะบังคับใจให้รู้ลมเข้าออกแทนแต่เมื่อทำเหมือนเรื่อยๆเล่ น, ลนๆหลายครั้งเข้า ก็จะเริ่มชินและพบว่าความชอบความชังนั้นเป็นอาการทางใจเป็นของภายในต้องเห็นจากใจเท่านั้นส่วนการรู้ลมหายใจเป็นของภายนอกรู้ผ่านผัสสะทางกายพอสติสัมปชัญญะของคุณรู้แบบแยกชั้นก็จะไม่รบกวนกันปฏิกิริยาทางใจ เกิดขึ้นในภายในก็แสดงตัวอยู่ข้างในลมหายใจเกิดขึ้นที่ภายนอกก็แสดงตัวอยู่ภายนอกถึงตรงนี้คุณจะรู้โดยไม่อึดอัดและที่สำคัญคุณจะไม่ผลีลามพูดหรือทำอะไรตามความชอบชังบันดาลในขณะนั้นคนธรรมดาทั่วไป ไม่สามารถเห็นความชอบความชังในใจเพราะชอบหรือชังแล้วก็กลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่สืบเนื่องให้เกิดคำพูดหรือการกระทำตามอยากทันทีต่อเมื่อหัดใช้ลมหายใจช่วยเป็นตัววัดว่าอายุไขมากน้อยเพียงใดคุณก็จะเริ่มดูความชอบความชังเป็นและเมื่อดูเป็นจนชํานาญคราวนี้ คุณไม่ต้องอาศัยลมหายใจเข้ามาช่วยแล้วแต่สามารถดูความเกิดดับของความชอบความชังได้ตรงตรงทีเดียวสรุปถึงตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อเข้าใจวิปัสสนาอย่างแท้จริงแล้วก็คุณอาจปฏิบัติได้ตลอดเวลาแม้ขณะที่คนอื่น เขานิว่าคุณกําลังนั่งเล่นทอดหุ่ยดูลมชมดาวหรือแม้กระทั่งขณะที่คุณกําลังพูดคุยเฮฮาอยู่กับเขาไม่ใช่จะต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากันที่วัดหรือในห้องพระที่บ้านเท่านั้น